พุทธรสวัสดีนะคะท่านฟังค่ะที่ชั้นสันสินีนาคพงษ์และรายการสันสินีสนทนามาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วนะคะ mm. นอกจากนี้ก็ยังมีพระคุณเจ้าที่จะทําให้ท่านฟังนั้นได้มีโอกาสได้ฟังธรรมที่ท่านไม่เคยได้ฟังและเป็นคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในห้วงเวลานี้ท่านมาร์กและท่านเพบูลนะคะสท่านซึ่งได้ไปสังเวชนียสถานมาก็กําลังทําหน้าที่ทั้งสาธยายประสูตดกับ ทำให้ชัดแจ้งมากยิ่งขึ้นในรายการไปที่สถานที่แสดงปฐมเทศนาคือทาเมฆะสถูกกันแล้ววันนี้เดี๋ยวไปฟังนะคะว่าท่านมาร์คจะพาเราไปที่ไหนขอเชิญพบกับพระมาร์คชาคาวาโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ค่ะในมรสการกัะทั้ค่ะเจริญพรสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นประสูตรเรื่องที่พระุู้มีพระภาคเจ้า เ, เริ่มปรงอายุสังขารก่อนจะเดินทางไปสู่การปฏิพานในเมืองกุสินาราถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทําความเพียนเผากิเลสด้วยการเจริญอานาปานาสติพร้อมกัฟังพระสูตรไปพร้อมๆกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตร มีสนณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าช่วงเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการนานผ่านไว้ไปแล้ว มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารุบุตรข้อนี้เธออย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเรานี่แลในบัดนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมานานแล้ววัยของเรานับได้80ปี สารีบุตรทาที่แสดงไปนั้นก็ไม่ได้แปรปรวนบทเพยียรชนะแห่งธรรมของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาเฉียบแหลม ว่องไวของตถาคตก็ไม่ได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดพึงจะกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแกมหาชนเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นในอีกช่วงเวลาหนึ่งพระอานน์ได้เข้าไปฟ่อพ ร, ระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วรูปคลำทั่วประกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พางกล่าวถ้อยคำนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เฉวีวันของพระพุู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนแต่ก่อนพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์คล้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักสุโสต คณะชิวหากายะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอานนนนั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตชวีวัน จึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายดังนี้โท่เอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่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 ดังนี้แล้ววันนี้เราก็ประพฤติปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาความตั้งฟังพระสูตรที่เป็นช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าใกล้จะเป็นนิพพานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาฟังพระสูตรความทั้งปฏิบัติทางความเพียงกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะทานฝั่งที่ครบคะ่ะแล้วนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะพระสูตรซึ่งสืบเนื่องจาก การไปยืนสังเวชนียสถานเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับการที่เราได้เดินเข้าไปในสถานที่แห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รู้ว่าณสถานที่แห่งนั้นในครั้งพุทธกาลเมื่อ ย, ยังทรงมีพระชนชีพอยู่พระาศาสดาของเราได้ตรัสอะไรไว้บ้างหรือว่ามีเหตุการณ์ที่สาคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างและในรายการนี้เราก็ทาหน้าที่ที่จะทาให การไปสังเวชนียสถานของคนที่เคยไปมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยเข้าถึงคําสอนขององค์พระศาสดาโดยตรงได้เข้าถึงส่วนท่านที่ยังไม่เคยไปก็จะได้ทราบว่าก่อนจะไปท่านตระเตรียมพุทธวจนะในเรื่องเกี่ยวกับสังเวชนียสถานไว้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ยอย่างยิ่งและนั่นก็เป็นพระมาร์ชาควโรจากวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองิิค่ะนมสักการขอบพระคุณค่ะท่ะะนานค่ะเจริญพร